ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยนะก็เคยอธิบายไว้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ั้ยที่คะถาบอกว่าอเ น, นกชาติสังสารังเนี่ยนะในหน้าเช่นในหน้า314ของพระพุทธเจ้าโกลธัญญาเนี่ยนะว่าเราสแสวงหาตันหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบเนี่ยนะไม่พบด้วยยานนะ คำว่าพบไม่ใช่โอ้เนี่ยชอบไม่ใช่พบแบบนั้นพบด้วยมรรคยานเนี่ยเมื่อสแสวงหาตันหาด้วยมรรคยานโดยเฉพาะอารหัตตมรรคเนี่ยเมื่อไม่รู้จักตันหาด้วยอรหัตตมรรคจึงต้องท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารเป็นอันมากเพราะว่าตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชารามรณะเป็นต้นเพราะฉะนั้นชาติความเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์ ดูก่อนตันหานายช่างผู้สร้างเรือบัตรนี้ท่านเราเห็นท่านแล้วเห็นด้วยโสดาปฏิมักสกาธาคามิมกักอนาคามิมักและอรหัตตมักตั้งแต่นี้ไปหลังจากอรหัตตมักเกิดขึ้นท่านจะสร้างเรือนคือชาติชรามรณะให้ไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนทั้งหมดคือกรรมเนี่ยของท่านเราก็หักหมดแล้วย่อเรือนคืออวิชชาเราก็รู้แล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งทำที่สิ้นตันหา จิตของเราเนี่ยนะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงอรหั ต, ตผลแล้วก็เปรียบเหมือนว่าใครๆย่อมไม่รู้คติความเป็นไปของดวงไฟที่ลุกโพลง่งดวงไฟที่ถูกฟาดด้วยค้อนเหล็กแล้วสงบลงไปโดยลำดับชั้นใดถ้าดับไฟแล้วเนี่ยนะไฟหายไปไหนหมดเอวังสัมมาวิมุตตานาังกามะโทตค า, าติริณังเนี่ยนะปัญญาเปตุงคตินัตถิ ปัตตานังอาจจะลังสุขังไม่มีใครจะล่วงรู้คติความไปของท่านผู้หลุดพ้นโดยชอบผู้ข้ามพ้นพันธะและอกหัคือกามผู้ถึงความสุขอันไม่หวั่นไหวได้ก็ฉันนั้นใครเนะจะรู้ว่าสมรสอย่างดวงอาทิตย์ลับไปเนี่ยแสงสว่างหายไปอยู่ที่ไหนหก็ใครๆก็ไม่รู้ที่ไปฉนันใดผ้าหานทั้งหลายก็ฉันนั้น เสร็จแล้วพระองค์ก็ยับยั้งอยู่บริเวณต้นตรโพใกล้ๆสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จสัปดารับอาราธนาของเท้ามหาพรหมนั่นนะคือสัปดาห์ที่8เป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกองค์ควรขวายที่จะไม่แสดงว่าเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมเห็นความติดข้องอาลาัยในกามของสัตว์ทั้งหลายก็น้อมไปเพื่อไม่แสดงคำพรหมก็มาอาราธนาให้พระองค์แสดงคำ พระองค์ก็รับคํำราษฎรตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของพระขันทกุมารกนิพพาดาน้องต่างมารดาของพระองค์และพระเตจสกุมารบุตรปุโรหิตพระองค์ก็ไปทางอากาศซึ่งพระพุทธเจ้าโดยมากก็ไปแสดงธรรมจักรนั้นไปทางอากาศก็พระองค์ก็เสด็จลงที่เขมะมิขทายวันพระองค์ก็ใช้ให้พนักงานเฝ้าอุทยานไปเรียกท่านทั้งสองนั้นมาแล้วก็ประกาศพระธรรมจักรท่ามกลางบริวารเหล่านั้น ครั้นั้นเป็นธรรมมาพิสมัยได้มีแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้โดยเฉพาะเทวดาเนี่ยบรรลุตามหาประมาณไม่ได้สิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยโดยมากจะแสดงให้ผู้ที่ออกบวชพร้อมกันแต่ชุดนี่ไม่ได้แสดงให้ผู้ที่บวชพร้อมกันบรรลุเลยไปแสดงให้นู้นอะคนที่อยู่ที่วังนั่นแหละไปเรียกจากวังมาฟังธรรมเลยบรรลุหมดเลยพวกนั้นอะ นะพวกพวกที่ออกเป็นนักบวชแสดงว่าตอนนั้นนะโมแต่ทำอะไ ร, ร, รยอยู่ไม่ทราบก็เลยยังบรรลุทีหลังแต่ก็บรรลุอ่ะนะเบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อุทิตนะนะติดตามผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้ามุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ปรารถนาะความเป็นพระพุทธเจ้าท้ายที่สุดท่านก็ช่วยได้หมดอ่ะนะ ขอให้มีทิศทางอยู่ในทิศทางเดียวกันเหมือนนอย่างใครที่มีแนวทางตามพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะท่านเหล่านั้นตรัสรู้หมดเลยหรือผู้ใดยอย่างพวกนักบวชที่บวชอุทิตพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นบรรลุหมดเลยนะขอให้ท่านผู้ทางสารนังคฉาญมีเอาไว้ให้แน่นหนาแข็งแรงนะนะจะได้ตรัสรู้ในอนาคตต่อไปนะนะอนาคตก็ถ้าขณะนี้บรรลุได้กไปก่อนเถอะเหมือนันนะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าในพุทธวงว่าต่อจากสมัยพระปุษสา พ, พุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อ92กัปหลังจากนั้นมากับที่9ก้ก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้ากู้มีจักษุอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าทําลายอวิชชาคือกระเปาะคืออวิชชาบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์ก็เสด็จไปยังกรุงพันทุ่มมาดีเพื่อประกาศพระธรรมจักร พระผู้นำครั้นส่งประกาศพระธรรมาจากแล้วยังกูมานทั้งสองให้ตรัสรู้แล้วอภิสมัยครั้งที่หนึ่งไม่จําต้องกล่าวจํานวนผู้บรรลุนะโดยเฉพาะเทวดาเนี่ยนับไม่ได้ไม่รู้จะเอาตัวเลขไหนมานับบรรลุมากมายอะนะบรรลุเกินกว่าจะนั่งมานั่งนับว่าเท่าไหร่แบงนั้นแต่หลุดไม่ได้ยังไงไม่รู้นะลุงเรงนะเขาบรรลุจนแค่หจนไม่รู้ขี้เกียดนับแบบนั้นไม่ต้องนับหรอกบรรลุยเยอะแยะไปหมดเลยก็ยังหลุดมาจนได้อีกนะ แสดงว่าตอนนั้นนี่ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยพวกเรานี่อยากคิดว่าโปรดง่ายนะเพระพระพุทธเจ้าผ่านไปตั้งหลายองค์ก็โปรดพวกเราไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนั้นนะโปรตได้ได้แต่สร้างบุญสร้างวาสนาสร้างอุปนิสัยก็ได้เท่านั้นเลยหลายๆอย่างรู้ว่าดีทําไหมบอกเอาไว้ก่อนนะจริงนะอย่างวันนี้บอกอวันนี้อันนี้ดีไหมบอกดีเอาไหมเอาไว้ก่อนนะบอกออภิธรรมน่ะดีมากเลยเรียนเลยไหมบอกเอาไว้ก่อนนะเจ๊ไหม บอกว่าอา้าวไปไหว้พุทธคยาดีไหมดีไปเลยไหมเอาให้จบเลยนะคือพวกแบบนี้มันก็เลยก็เลยนี่แหละรุ่นพราหาเหตุผลอธิบายได้หมดนะเหตุผลอธิบายว่าทําไมตัวเองยังไม่บรรลุบางนะอันอ้าบรรลุอธิบายได้หมดเลยเก่งจริงๆเลยนะก็เรียกว่าอะไรนะหาข้อแม้ที่จะต้องอยู่ในวัฏฏะต่อไปจนได้อย่างบอกก็เรามันปุตุชนบางอันนะพวกนี้อนุรักษ์นิยมก็เลยรักษาความเป็นปุตุชนยินดีแห่งภาวะความเป็นปุตุชนได้นาน เพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเธอไห น, น, นแก้ไขได้ก็แก้ไปเธอจะอนุรักษ์ไว้ทําไมเนี่ยนะมีอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันเม้นเม็ดอยู่บนหน้าผากไม่ต้องรักษาไว้โรคคือพูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, อะขออภัยพระพุทธเจ้าได้โปรดกุมารทั้งสองคือขันธราชโอรสแล ะ, ะ ข, ขันดราชโอรสนั้นนะเป็นน้องต่างมารดา ข, ของพระองค์ติดสะกกุมารบุตรปุโรหิตให้ตรัสรู้ต่อมาครั้งที่สองเนี่ยนะว่า พระองค์ก็ยังภิกษุ8ปดมืนสี่พันที่ออกบวชตามพระขันดราชโอรสและติสกุมารบุตรปุโรหิตให้ดื่มอมะตะธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่สองที่พระองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระย์ประมาณมิได้ก็ตรัสรู้ครั้งแรกหาประมาณมิได้แล้วยศของพระองค์จะเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือบุคคลที่ตรัสรู้รมเนี่ยนะทุกคนถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งยศของพระองค์ หรือเรียกว่าเป็นลูกน้องพระองค์หมดเป็นลูกศิษย์พระองค์หมดเป็นสาวกของพระองค์หมดพระองค์ก็เลยมียศหาประมาณไม่ได้ตามจำนวนผู้ตรัสรู้พระองค์นั้นพระพุทธเจ้าผู้มียศหาประมาณไม่ได้พระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรณเคมิอ่านะเข้าไปเคมิเคมิขทายวันนั้นนะอา่านไม่จบประโยคไม่รู้เรื่องเลยนะเคมิขทายวันอภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์ 84% พัน เยอะนะจะูจะตุราศีติสหั ส, สานี่เนี่ยนะก็คืออะไรนะอย่างที่เราสวดจตุราศีติสหัสธรรมคันทานุภาเวนะก็คืออนุภาพแห่งพระธรรม 84,000 พันพระธรรมคันนี้ผู้ที่ตรัสรู้ก็ 84,000 พันก็คือพวกบุรุษที่รับใช้พระวิปัสสีกุมาร น, นั่นเองบุรุษเหล่านั้น ไปยังที่รับใช้พระวิปัสสีกุมานแต่เช้าพอไม่เห็นกุมานก็กลับไปเพื่อกินอาหารเช้ากินอาหารเช้าแล้วก็ถามมันว่าพระกุมานอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ฟังข่าวว่าเสด็จไปยังที่พระราชจุทยานก็พากันออกไปด้วยหวังว่าจะพบพระองค์นะที่ราชจุทยานเห็นสารทีของพระองค์กลับมาทราบว่าพระราชกุมารทรงผนวชแล้วก็เปลื้องอภรร์ทั้งหมดในสถานที่ฟังข่าวนั่นเอง ก็ให้ไปนําผ้ากาสายะมาจากตลาดปลงผมและหนวดพากันบวชตามบุรุษเหล่านั้นครั้นบวชแล้วก็พากันไปเวทล้อมพระมหาบุรุษคือก่อนไม่บวชก็แม้คอยรับใช้นะพอได้ข่าวว่าบวชบวชตามทันทีเลยตามไปคอยรับใช้จากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ดําริว่าเมื่อเราบําเพ็ญความเพียรเนี่ยนะถ้ายังคลุกคลีอยู่ข้อนี้ไม่สมควรคนเหล่านี้แต่ก่อนเป็นครหอข่าก็พากันมาเวทล้อมเราอย่างนั้นประโยชน์อะไรด้วยคนหมู่นี้ พระองค์ก็ราอาเบื่อน่ายการคลุกคลีด้วยหมู่ดัมเรว่าจะไปเสียวันนี้แหละขณะเป็นนักบวชอยู่ด้วยการนะบอกโอ้โหพวกมากนะเมื่อก่อนก็ไม่บวชก็อยู่ด้วยการบวชเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยการแยกกันอยู่เถอะก็เลยคิดว่าวันนี้ยังไม่ใช่เวลาเอาเธอเราจะไปในวันถ้าเราไปวันนี้คนเหล่านี้ก็จะรู้กันหมดถ้าเราหนีไปวันนี้เนะี่ยพวกนี้ก็ตามไม่หมดอีกหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปในวันนั้นเองมนุษย์ชาวบ้านในตำบลหนึ่ง เช่นเดียวกับตำบล อ, อุรุเวลคามได้จัดแจงเข้ามาทุ่ปายาตอย่างเดียวเพื่อบรรปชิต 84% ดหมสี่พันเหล่านั้นและพระมหาบุรุษในวันรุ่งขึ้นเป็นวันวิสาขบุรมีพระวิปัสสีมหาบุรุษเสวยพัตตาหารกับชนที่บวชเหล่านั้นในวันนั้นแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสถานที่ประทับณที่นั้นบนรรปชิตเหล่านั้นแสดงวัดแด่พระมหาบุรุษแล้ว พ่อพากันเข้าไปยังสถานที่อยู่กลางคืนและที่พักกลางวันของตนของตนแม้พระโพธิสัตว์ก็เสด็จเข้าไปสู่บรรณศาลาประทับนั่งพระองค์ดำริว่าวันนี้เป็นเวลาเหมาะที่จะออกไปก็เสด็จออกอภิเนศกรมเปิดประตูบรรณศาลาบ่ายประพักไปยังโพธิมันทสถานเป็นปกติอยู่ว่าบรรพชิตเหล่านั้นเวลาเย็นเนี่ยนะ ก็พากันไปยังที่ปรนิบัติพระโพธิสัตว์นั่งห้อมล้อมบรรณาศาลากล่าวาว่าวิการมืดค่ําแล้วตรวจกันดูเธอเปิดประตูบรรณาศาลาก็ไม่พบพระองค์คิดกันว่าพระมหาบุรุษพากันไปไหนหนอแล้วก็ยังไม่พากันติดตามเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่ตามไปหาหรอกคิดว่าพระมหาบุรุษนี้เห็นทีจะเบื่ออยู่การอยู่เป็นหมู่เป็นแน่รู้เลยสงสัยเบื่อพวกเราแน่นอนนะท่านนี้ไปแล้วแสดงว่าท่านประสงค์จะอยู่ตามลําพัง เพราะฉะนั้นพวกเราคอยพบท่านตอนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็นแล้วกันถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ท่านไปเพื่อได้ตรัสรู้ให้วิเวกบ้างเถอะเขาก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็เลยพาการออกจากิกมุ่งหน้าภายในชมพูทวีปลําดับนั้นบนรรดชิตเหล่านั้นฟังข่าวว่าเขาว่าวิปสัสสิกุมาเนี่ยได้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ประกาศพระธรรมมาจัก ก็เลยประชมการที่เขมิยะกทายวันกรุงพันทุวดีราชธานีโดยลําดับติดตามไปเฝ้าเลยนะก็เพราะว่าบวชเชื่อว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าออกบวชใช่ไหมตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นนักบวชท่านก็เบื่อหน่ายในการคลุกคลีก็หนีไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปเพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงคำโปรดบันปะชีตเหล่านั้นครั้งนั้นทำมาพิสมัย การตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่ภิกษุ8 4ด0 0นี่พันนั้นเป็นอภิสมัยครั้งที่สอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าบุรุษ 84% ี่พันบวชตามพระวิปัสสีสามพุทธเจ้าพระผู้มีพระจักษุแสดงคำโปรดบรรประชิดเหล่านั้นซึ่งมาถึงอาราม บรรพชิตแม้เหล่านั้นฟังคำของพระองค์ซึ่งตรัสประทานโดยอาการทั้งปวงก็บรุธรรมอันประเสริฐอภิสมัยครั้งที่3ก็ได้มีแก่บรรพชิตเหล่านั้นก็คำว่าพระองค์แสดงธรรมโปรดก็คือแสดงธรรมตามอุปนิสัยเนี่ยนะว่าเขามีอุปนิสัยอย่างไรพระองค์ก็แสดงธรรมไปตามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีประทับนั่งท่ามกลางภิกษุแ 0,000 ขออภัย ภิุืพันเนี่ยนะ 6, ซึ่งบวชตามพระวิปัสสีพุทธเจ้าและพระอัครส า, าวกณเคมะมิกทายวันโยกโอวากปาติโมกขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าขันตีประมังตะโปตีติขานิบบานังประมังวทันติบุธาณนหะิปัปชิโตป ร, รูปคาตีนะสสโนโหติป ร, รังวิเหทยันโต สัพปาปัสสะการนังกุสละโสปสัมปธาส จ, จิตตประโยชนท ป, ปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญญาตาจะพัตตสิมิงตันตจะไยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังขันติปรังตโปตีติขาพระพุทธเจ้าตรัส ขันติเนี่ยนะตีติตขาขันติหรือขันติคือความอดกลั้นนี้ว่าเป็นตะบะอย่างยิ่งนะขันตินี่แหละเรียกว่าตะบะเครื่องเผาบาปเผาอากุศลสูงสุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับขันติเนี่ยนะขันตินี่ยิ่งใหญ่มากเป็นตะบะเครื่องขจัดความเศร้ามองทุกชนิดขจัดเครื่องเลวร้ายโดยประการทั้งปวงนิพานังปรามังวะธรรมติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดว่าพระนิพานนี้เป็นบรมธรรม นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดบรมประมังประมัดนะเป็นประมตธรรมหรือเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมที่สูงสุดอย่างที่พระองค์บอกอยู่แล้วว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังฆะอสังฆะมีประมาณเท่าใดถ้านิพพานเนี่ยเลิศกว่าธรรมทั้งมวลเหล่านั้นมันพระองค์ตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นเลิศ นาหิตปปะปิโตปรูปคาตีผู้ยังทําร้ายผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตหรือว่าเป็นหาเป็นบรรปะชิตไหมนะถ้ายังทําร้ายผู้อื่นอยู่ด้วยกายนาสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะถ้าพี่อื่นจะแปลสำนวนเนี่ยนะถ้ายังยังทําร้ายผู้อื่นอยู่ก็เป็นบรนปะชิตไม่ได้ถ้ายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็น บันปชิตสัพ ป, ปาปัสะาการนังการไม่กระทำบาปไม่ทำอกุศลโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นชื่อของอธิศีลศิขากุศลสูประสปะทาทำกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นชื่อของอธิ จ, จิตตศิขาสจิตตปรโยธปนังการชำระ จ, จิตของตนให้ผ่องแผ้วให้ขาวรอบออันนี้เป็นอธิปัญญาศิขา นะการสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาทั้งหมดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตังพุทานาซาสนังอะนุปวะโตอนุ ป, ว า, นปวาโทอะนุปคาโตเนี่ยนะอนุปวาโทก็คือการไม่เข้าไปว่าร้ายอนุปคาโตการไม่เข้าไปทํำร้ายปาติโมคเฆจะสังโบรการสํารวมในพระปาติโมกเนี่ยนะ ก็คื อ, อศิกขาบทคื อ, อพระปาติโมก น, นะก็คือปราชิก4สังฆาติเศษสิบสามมณุยยศสอง น, นะปจิตีสามสิบนิสิยปาจิตติามสปจิตจติบสอเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าปาติโมกมันต้องสํารวมในพระตาปาติโมกมัตตัญยุตตาจะพัฒตสมิงความรู้จักประมาณในพัตตาหารรู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการ บริโภคในปัจจัยสปันตันจะไนาสนังการนั่งการนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนที่สงัดปราศจากผู้คนเป็นต้นอาธิจิตเตจะอายโยโคการตามประกอบความเพียรในอธิจิตคือเจริญอธิจิตทําจิตอย่างยิ่งให้เจริญขึ้นทั้งหมดเหล่านี้เอตังพุทานาซาสนังทั้งหมดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อมีสาวกสันิบาตจะแสดงโอวาตปาติโมก เหล่านี้ค า, า, า, าถาปาติโมกุเทศเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกองจะแสดงโอวาทพระปาติโมกถ้าที่ใดที่ว่าพระพุทธเจ้าร่วมประชุมแสดงโอวาทแสดงปาติโมกหมายถึงโอวาทปาติโมกถ้าภิกษุสวดกันเองเรียกว่าภิกขุปาติโมกนะ พระครูปาติโมก็อย่างเช่นอะไรสุนาตูเมพันเตสังโฆอาชุปโโสโทปนารโสอย่างวันนี้เป็นวันที่พระพิสุท์ท่านแสดงปาติโมกันเนี่ยนะทุก14บ่ค่ำหรือ15คห้าแห่งปักนะก็ทุก14วันหรือ15วันก็จะฟังโ อ, อวาทปาติโมกแสดงปาติโมกุเทศนิทานกุเทศปราชิกกุเทศสังขารที่เสศุตเทศอ น, นิยตุเทศ และแล้วก็อุรเทศที่เหลือเนี่ยนะก็จะมีการยกขึ้นมาแสดงในวัน14ค่ําและ15คห้าค่ำหรับพระพิสุทธ์ที่ประชมการสี่รูปขึ้นไปอันนี้เป็นข้อวัดเป็นสิ่งที่พระพิสุทธ์ทั้งมวลต้องปฏิบัติเนี่ยนะส่วนสาวกสนิบาตครั้งที่สองก็มีจํานวนพิสุทธิ์หนึ่งแสเห็นยะมะกะปาฏิหารเนี่ยนะที่พระองค์แสดงปาฏิหารเป็นคู่คู่ที่เป็นอาสาธารณะญาณเป็นความสามารถเฉพาะของพระพุทธเจ้า พอเห็นแล้วก็เลื่อมสายได้ฟังธรรมก็บวชครั้งพระกนิษฐาดาสพระองค์ต่างมานดาของพระวิปัสสีพุทธเจ้านะไปปราบปัจจันตประเทศให้สงบคล้ายๆกับใครคล้ายๆกับพระชดิน3สามพี่น้องนะได้รับพระราชทานพรด้วยการทำบุญทำนุบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้า<ม>ก็นำเสด็จมาสู่พระนครของพระองค์แล้วก็บำรงุง พระองค์สดับพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผนวดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางีิสุ8ดล้านเหล่านั้นก็แสดงธรรมนะยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงณนะเขมิกระทายาวันนั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่สเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่า พวิปัสสิภูธาเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชมุมพระสาวกผู้ขีนาศบร้มนทินมีจิตสงบผู้คงที่สมครั้งการประชมุมพระสาวกหกล้านแปดแสนเป็นสันนิบาตครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหนึ่งแสนะครั้งที่สามแปดมืนเนะก็มีสันนิบาตการประชมุมสาวกสามครั้ง พระสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งโรธท่ามกลางหมู่พินะกษุณเขมิกถายวันเหล่านั้นก็คือพระองค์ผู้รุ่งโรธแปล ว, ว่าสว่างสวัยเพราะไม่มีพระพิสุเหล่าใดที่มีรัศมีออกจากกายพระองค์นี้รุ่งโรด้วยแสงสว่างแห่งรัศมีทางร่างกายและปัญญาทางจิตใจฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นพญานาคชื่อว่าอตุลามีฤทธานุภาพมากมีนาคหลายแสนโกดเป็นบริวาร ก็อย่างที่กล่าวนะถ้าท่านนาคเหล่านั้นแปลงร่างเป็นงูหมดนี่ยุยเยืยๆ่ยเยหมดเลยนะมีนะไปอ่านในอะไรนะผูิทตตะชาดกน ห, หมาพญานาคมากวนเมืองกาสีของในตอนนั้นเนะี่พยพญานาคนั้นเนี่ยนะแต่เป็นพญานาคที่มีบุญเ่ยนะพญานาคที่เพื่อสร้างบุญไม่ใช่มาทําบาปพญานาค ก, ก็สร้างมนดบอันสําเร็จด้วยรัตนะแบ่งออกเป็นเจส่วนอันมั่นคงผองแผ้วที่น่าดู เช่นเดียวกับดวงจันเพื่อทำสการะแดพะพ่พระทศพลพระทศพลพระองค์นั้นผู้มีกำลังที่ไม่มีผู้ใดเสมอมีศีลที่ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์มีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาพระพุทธเจ้าวิปัสสีพร้อมทั้งบริวารภิกษุสงฆ์ก็ไตเนี่ยนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็รับนิมนต์ให้พระองค์ประทับนั่งในมนดบถวายมหาทานอันเหมาะแก่ส ม, สมบัติที่ ทำบุญตามสมควรที่ตัวเองจะจัดสรรดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เจ็ดวันแล้วก็ได้ถวายต่างทองขจิต ด, ด้วยรัตนเจ็ดอันรุ่งเรืองด้วยประกายโชตช่วงแห่งมณีต่างๆสมควรยิ่งใหญ่นะทุกอย่างเนี่ยจัดให้มันที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นพระวิปสัสสีพุทธเจ้าก็ทรงพยากรพระโพธิสัตว์นั้นเวลาจบอนุโมทนาปีตท า, ทานทานที่ที่บูชาด้วยที่นั่งนะปีถาคือที่นั่งพระองค์ก็อนุโมทนาว่า9กบเอ็ดกับนับแต่กับนี้ไปรอยอหน่อยนะเกบเอ็ดกับท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่นานนะแค่เก้าบเอ็ดกับเองนะไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าน้ําตา ม, มากกว่านี้อยู่แล้วทนอยู่ใต้ต า, างนาคมาเนี่ยนะ ของเราบอกอุ้ยนานเกินไปปัญหาว่าอีกกาสด็จกลับจะได้บรรลุหรือเปล่าอะไรมารับรองกันะทาท่าว่าเหมือนนานนะที่ไหนได้ยาวขนาดนี้นกันนะอุ้ยไกลจังเลยตั้งสองกิโลที่จริงคุณยังเดินอีกพันโยดเหมือนกันนะพระโพธิเจ้าเล่าให้ภาษารรบุตรฟังนะนะคือคือในการแสดงพุทธวงเนี่ยถือภาษารรบุตรเป็นผู้ฟังหลักนะผู้อื่นก็ฟังตามไปเนหะมือนั้นโป่งก็บอกว่าสมัยนั้นเราเป็นพยานนาคชื่อว่าอตุละมีฤทธิ์มากมีบุญทรงรัศมีโชคช่วง ครั้งนั้นเราเวทล้อมด้วยนาคหลายโกรธบันเลงทิพดนตรีเข้าไปเฝ้าพระผู้เจริญที่สุดในโลกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกได้ถวายตัางทองอันขจิตด้วยรัตนคือแก้วมณีและแก้วมุกดาประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างแด่พระผู้เป็นพระธรรมราชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางพิสุสองพยกรเราว่า เกอกับนับแต่กับนี้ไปท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็อย่างที่เราเคยฟังมาพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังพระดำรัสพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ยิ่งมีจิตเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปเพื่อบาเพ็ญบารมีทั้งสิบให้บริบูรณ์ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีนครที่เกิดชื่อว่าพันธุวดีพระพุทธบิดาพระเจ้าพันธุมาพระพุทธมารดาพระนางพันธุมดีพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครสาวกชื่อว่าพระคันดะและพระติดสะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอโศกมีอัครสาวิกาชื่อว่าพระจันทา และพระจันทมิตรตาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นปาตลีพระวิปัสสิภุธเจ้าผู้นำโลกสูงแปบศอกพระรัศมีของพระองค์เล่นไปโดยรอบเจ็ดโยชนายุคนั้นมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีพระชนมาายุของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีชนมายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสาร พระพุทธเจ้าวิปสัสสีเปลื่องเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากจากเครื่องผูกนั่นคือสั่งยนสิบบอกทางและมิใช่ทางกับพวกปุถุชนที่เหลือหมายคก็ว่าผู้ใดพอจะบรรลุได้พระองค์สอนให้บรรลุเลยถ้าผู้ใดที่ยังไม่บรรลุได้น่นไม่สามารถจะบรรลุในชาตินั้นได้พระองค์ก็กําหนดแนวทางวางทิศทางให้เขาได้ตรัสรู้ในอนาคตพระองค์และพระสาวกสําแดงแสงสว่างด้วยปัญญา แสดงอมะตะบทคือพระนิพพานรุ่งโรดสว่างสวัยด้วยปัญญาแล้วก็ดับขันทัปปรินิพานเหมือนกองไฟโพลงแล้วก็ดับไปฉะนั้นพระวรรดิอันเลิศพระบุญญาธิการอันประเสริฐพระวรลักษณ์อันบาลเต็มที่แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วนั้นก็อันตรฐานไปสิน้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้ บทว่ามะคามะคันจะอาจิคิ แปลว่าพระองค์ทรงบอกปุถุชนที่เหลือวันนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทานะจงปฏิบัติไปตามสัมมาทิฏฐิไปเถอดปฏิบัติตามสัมมาสังกัปตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินะอย่าปฏิบัติตามอุเชธาทิฏฐิอย่าปฏิบัติตามแนวศัสตทิฏฐิขอให้ปฏิบัติในตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเพื่อบรรลุอมตะธรรม น, นะเพราะว่าการทําตนให้ลําบากก็ไม่ใช่ทาง น, นะการสแสวงหาการ ม, มาสุขก็ไม่ใช่ทางแต่มัชชิมาปฏิปทานั้นเป็นหนทางเมื่อพระองค์แสดงแสงสว่างด้วยอนุภาพมัรคยานและแสงสว่างคือวิปัสนาญาณแล้ว น, นะด้วยพุทธานุภาพเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ฝ่ายพระองค์ผู้รุ่งโรจน์รุ่งเรืองเต็มที่ผู้มีฤทธิ์มากบุญมีบุญมาก ลักษณะที่งดงามประดับงดงามอย่างเต็มที่มหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80ด น, นะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะคุณธรรมเหล่านี้ก็อันตรธานไปจากโลกสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้จบจนบัดนี้ถ้าเราไม่อ่านถ้าสูตรไม่อ่านถ้าไตรวิฎกแพทย์ไม่เหลือเลยว่าเคยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสีย่อลงมาก็นโมพุทธายะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเจพระองค์เจพระองค์องค์ไหนบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะถ้าเราเรียนพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วก็อาจจะค่อยๆระลึกแต่ถ้าเรียนมหาประทานสูตรถ้าเรียนมหาประทานสูตรต่อไปในทีขณิกายมหาวัชเนี่ยนะมหาประทานสูตรก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเจพระองค์คือวิปัสสีสิกีเวสภูกัคคูสันธะโกนาคามณะและพระพุทธเจ้ากัสปะ แต่ข้อความในพุทธวงศ์เนี่ยนะผ่านพ้นไปแล้วนะทั้งหมดมี24พระองค์นะอ้าวยพระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราหรือเปล่านะรวม25พระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราบัดนี้เรียนไปแล้ว19พระองค์เหลืออีกเท่าไหร่อีกเจพระองค์เจพระองค์อ่ะเจพระองค์บวกกับพระพุทธเจ้าของเราคือเหลืออีกเจพระองค์อ่ะ สิกขีเวสภูกรกูสันทากนาขมนะกัส ป, ปะโคตมะ6กองคเนาะ6กองนับได้ยังไงทั้งเจ็องะนะโอ้ยคณิสสารก็ตกบอกโอ่าหมดเวลาละหนักๆเข้าจะบวนเลขไม่ถูกแล้วแสงว่าหมดเวลาได้เวลาพักผ่อนนะนะท้ายที่สุดของพระธรรมที่ได้ยกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธเจ้าพุทสะนะอะไรมั่งุทสะเป็นต้นมาเนี่ยนะ นะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้รับฟังศึกษาเล่าเรียนและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเหล่านี้ขอบุญกุศลเหล่านี้ขอให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนานะเจริญด้วยมงคลทั้ง38ประการได้ปฏิบัติอยู่ในมัชิมาปฏิปทาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกทุกคนทุกท่านอนุโมทนา